ประสบการในชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปความคิดความเห็นความเข้าใจในสิ่งต่างๆก็มีไม่เหมือนกันคนที่มีอายุมากขึ้นความคิดความเห็นความเข้าใจในสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็มีเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีก็มีขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนที่รับข้อมูลมาว่าจะเชื่อข้อมูลแบบไหนและความเหมาะสมที่ทําตามความเชื่อ มีมากน้อยอย่างไรเช่นบางคนมาหลงติดอบายมุขตอนแก่ก็มีหรือบางคนตอนหนุ่มสาวไม่สนใจเรื่องศาสนาแต่พออายุมากขึ้นก็มาสนใจในเรื่องปฏิบัติธรรมก็มีการที่ได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและนำมาประพฤติปฏิบัติก็ทาให้ความเข้าใจในเรื่องโลกเรื่องชีวิตเรื่องจิตเรื่องธรรมมีความเปลี่ยนแปลงไป บางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราก็เริ่มเข้าใจในสิ่งนั้นๆเหมือนมีเกาะอยู่สองเกาะแต่ก่อนเราอยู่เกาะที่หนึ่งคือเกาะของโลกเราก็จะมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์แบบโลกๆตามฐานะของเราแต่เมื่อเราข้ามทะเลมายังอีกเกาะหนึ่งคือเกาะที่สองซึ่งเป็นเกาะแห่งธรรมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมเราก็ได้รับความรู้ เพิ่มขึ้นตามฐานะแห่งจิตความคิดความเห็นความเข้าใจย่อมเปลี่ยนแปลงไปบางอย่างแต่ก่อนเราคิดแบบนี้แต่มาตอนนี้เราอาจจะคิดไปอีกแบบหนึ่งก็มีหรือคนทางโลกเขาว่าต้องแบบนี้แต่เราก็อาจจะว่าเหมือนเขาก็มีไม่เหมือนเขาก็มีเพราะเรื่องของโลกกับเรื่องของธรรมจะทวนกระแส ก, กันอยู่ บางอย่างคําพูดเหมือนกันแต่ความหะความหมายนั้นกลับไม่เหมือนกันก็เลยเป็นเรื่องภาษาโลกกับภาษาธรรมการปรับความคิดความเห็นความเข้าใจตามแบบกระแสะโลกที่คนส่วนใหญ่ในโลกเป็นกันอยู่นั้นคือการดิ้นรนสแสวงหาให้ได้มาตามความอยากเมื่อได้มาก็ยึดติดผูกพนันหลงไหล เมื่อพลัดพรากจากไปก็โศกเศร้าเสียใจบางคนแสวงหาความสุขมานานถึงมีทรัพย์สมบัติมากขึ้นก็ยังไม่พบความสุขอย่างแท้จริงยิ่งมีมากก็ยิ่งหวงหวงผูกพันและก็วุ่นวายใจมากหาความพอดีในจิตไม่พบความพอดีไม่ใช่อยู่ที่ทรัพย์สมบัติหรือวัตถุภายนอกแต่ความพอดีอยู่ที่การปรับสภาพจิตให้รู้ความพอเหมาะ พอสมต่อสิ่งต่างๆแล้วไม่ทำตนเองให้ทุกข์ใจเมื่อยังทำตนเองให้กรัดกรุ้มใจทุกข์ใจอยู่ก็ไม่ใช่ความพอดีที่แท้จริงการปรับสภาพความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ยุ่งยากลาบากมากการปรับที่มีประโยชน์คือให้เรามาปรับที่สภาพจิตของเราเองโดยให้มีสติอยู่กับผู้รู้รู้จักรักษาจิต รู้จักรักษาธรรมเป็นการดำเนินตามหลักธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเป็นการปรับจากกระแสโลกมาสู่กระแสธรรมกรรกำหนดการเกิดคนส่วนใหญ่มีความสงสัยว่าตายแล้วเราจะไปไหน เราจะหาผู้รู้จริงที่จะตอบคําถามนี้ได้อย่างชัดเจนค่อนข้างจะยากหรือเราจะคิดเดาเอาเองแล้วเราจะยุรู้ได้อย่างไรว่าถูกหรือผิดจริงแต่ถ้าว่ากันตามหลักในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ท่านชี้ไปที่กรรมซึ่งแปลว่าการกระทํากรรมนั้นมีหลายอย่างหลายประเภทกรรมแต่ละประเภทนั้นก็ให้ผลต่างกัน มีช้าบ้างเร็วบ้างหนักบ้างเบาบ้างหรือเป็นอโหสิกรรมการไปก็มีแต่สำหรับคนที่ใกล้จะตายนั้นกรรมที่นำเขาเกิดนั้นจะต้องดูว่าคนนั้นมีกรรมหนักหรือไม่ถ้ามีกรรมหนักอยู่ก็ต้องไปรับผลของกรรมหนักนั้นเสียกรรมอย่างอื่นก็จะมีมากแค่ไหนก็ยังไม่สามารถให้ผลได้กรรมหนักนั้นมีอยู่สองอย่างคือกรรมหนักฝ่ายดี และกำหนักฝ่ายชั่วกำหนักฝ่ายดีก็ได้แก่ผู้ที่เจริญสมาธิจนได้ฌานในเมื่อฌานยังไม่เสือ่อมเวลาตายไปก็จะไปเกิดเป็นพรหมส่วนกำหนักฝ่ายชั่วก็ได้แก่อนันตรยกรรมห้าคือหนึ่งฆ่ามารดาสองฆ่าบิดาสามฆ่าพระอรหันต์สี่ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตท่อขึ้นไปห้าทำสงให้แตกแยกกัน ถ้าใครทํากรรมหนักฝ่ายชั่วเอาไว้ถึงจะมีกรรมมีดีมามากก็ตามเมื่อสิ้นชีวิตก็ต้องไปรับผลของกรรมหนักฝ่ายชั่วนั้นเสก่อนโทษของกรรมหนักฝ่ายชั่วคือตกนรกได้รับความทุกข์ยากลําบากแสนสาหัสแต่ถ้ากรรมหนักไม่มีก็ต้องดูว่ากรรมใกล้ตายนั้นเป็นอย่างไรคือเวลาจิตจะไปเกิดใหม่นั้นจิตจะมีอะไรเป็นอารมณ์หรือมีอะไรเป็นนิมิตหมาย ถ้าเป็นกุศลกรรมก็จะไปเกิดที่สุขติถ้ามีอกุศลกรรมเป็นอารมณ์ก็จะไปเกิดในที่ทุกขติหรือถ้าเราไปนึกคิดถึงความไม่ดีที่เราเคยทาไว้ก็จะไปเกิดในที่ไม่ดีแต่ถ้าเรานึกคิดในสิ่งที่ดีเราก็จะไปเกิดในที่ดีๆแต่ถ้าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราไม่ฝึกอบรมจิตให้อยู่กับธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ให้จำนานแล้วถึงตอนใกล้ตายจะมีความเจ็บป่วยทางร่างกายและมีความห่วงกังวลถึงสิ่งรักสิ่งผูกพันจิตก็จะเป็นอกุศลตายในตอนนี้โอกาสจะไปดีนั้นยากแต่ถ้ากรรมใกล้ตายไม่ชัดเจนกรรมที่จะส่งผลแทนก็คือกรรมที่ทำอยู่บ่อยๆเช่นเคยชินในการใส่บาตรอยู่ทุกวันรักษาศีลทุกวันจนเคยชิน ปฏิบัติดูแลพ่อแม่ทุกวันจนเคยชินสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจนเคยชินฆ่าสัตว์ผิดศีลจนเคยชินติดสิ่งเสพติดจนเคยชินจิตหมกมุ่นอยู่กับอบายามุขจนเคยชินปากจัดจนเคยชินหลงห่วงยึดติดอยู่กับลูกหลานจนเคยชินยึดติดในทรัพย์สมบัติจนเคยชินห่วงกับการงานและธรำมาหากินจนเคยชิน จิตเคยชินอยู่กับสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยกำหนดการเกิดใหม่ของเรากรมมังสัตเตวิพชจติยะทิทังฮินัปปณิตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้ซามและให้ปราณีต สวดมนต์เพื่ออะไรสวดมนต์ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาสวดมนต์เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์แล้วรู้ความหมายในหลักของพุทธศาสนาว่าความหมายในบทสวดนั้นเป็นอย่างไรเพื่อจะได้นํามาประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องสวดเพื่อให้จิตจดจ่ออยู่กับการสวดนั้นๆให้จิตเป็นสมาธิเป็นกุศ ล, ลจิตถ้าจิตวอกแวกไปทางอื่น ที่เป็นเรื่องของโลกโลกจิตก็จะเป็นอกุศลได้ง่ายสวดมนต์เพื่อบททบทวนคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำสวดมนต์บทแผ่เมตตาคือจิตที่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเพื่อให้บุญกุศลที่เราได้ทำแล้วไปถึงบิดามารดาและสรรพสัตว์ทั้งหลาย เนตตาที่แท้ต้องเป็นไปเพื่อในสิ่งที่ถูกต้องสวดมนต์ด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าไม่สารเสริญสวดมนต์เพื่ออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองและโดนบันดาลในสิ่งต่างๆสวดแบบงมงายไร้เหตุผลคือเพื่อให้ได้ตามความอยากของตนไม่สร้างเหตุให้เหมาะสมกับผลแล้วผลที่ไหนจะเกิดมาได้สวดมนต์ด้วยความหลงสวดด้วยปัญญา ขอแล้วแต่ไม่ได้ไม่ขอแต่ก็ต้องได้ตายร้อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรุงเทพคือได้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อหลายสิบปีมาแล้วคนในบ้านใกล้เคียงตกใจขนของกันเป็นการใหญ่มีเรือลำหนึ่งจอดอยู่แถวบริเวณนั้นเจ้าของเรือก็ตะโกนให้ขนของลงเรือพอเห็นว่าของเต็มเรือแล้วชายเจ้าของเรือก็แจวเรือออกไปเป็นการตรงกันซึ่งหน้าเจ้าของบ้านผู้กำลังเดือดร้อนไม่รู้จะไปเรียกร้องจากใครเจ้าของเรือก็นำของในเรือนั้นมาเป็นของของตน จะเรียกว่าโกงหรือขโมยก็ได้โดยไม่คำนึงถึงคนที่กําลังเดือดร้อนเนื่องจากไฟไหม้บ้านต่อมาชายผู้ที่โกงเข้าไปนั้นก็เกิดอาการเจ็บไข้ไม่สบายขึ้นในถิ่นของตนอาการที่ปรากฏก็คือต้องการกินแต่น้ําร้อนที่ร้อนจัดๆยิ่งร้อนเท่าไหร่ก็ยิ่งพอใจบางครั้งลูกหลานรินน้ําร้อนให้ก็หาว่าอน้ําร้อนที่ไม่ร้อนจริงมาให้ได้ เขาจึงนำเตาถ่านและกาน้ามาต้มในที่ใกล้กับที่ตนนอนเจ็บอยู่พอน้ำร้อนเดือดพล่านมีควันพรุ่งออกมาเต็มที่เขาก็ลุกขึ้นยกกาน้ำร้อนนั้นดื่มทางพวยกาพอดื่มเสร็จก็ร้องเออคล้ายกับว่าชื่นใจเหลือเกินแล้วก็ตายไปเรื่องนี้ก็มีผู้รู้เห็นกันมากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ากรรมชั่วที่ก็ทําไว้ได้ปรากฏดนบันดาลให้ได้รับผลกรรม ที่ได้ทำชั่วเมื่อจวนจะตายแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นจะต้องไปเกิดในที่ทุกขติแน่นอนซานิกรร ม, มานินยันติทุกขติกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติ สุขที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญสิ่งที่เป็นความต้องการของทุกคนคือความสุขในวัยเด็กในวัยรุ่นในวัยผู้ใหญ่ทุกคนล้วนคิดแต่จะคาดหวังว่าเมื่อเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคงมีความสุขจึงดิ้นรนสแสวงหาเพื่อให้ได้มาตามความคิดความคาดหวังนั้นแต่มีทั้งผิดหวังและสมหวังครุกเคล้กากันไปไม่พบความสุขที่แท้จริงสักที เช่นคนบางคนคิดว่าเมื่อมีแฟนหรือมีครอบครัวแล้วคงมีความสุขมากขึ้นแต่พอมีเข้าจริงๆกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้เพราะความห่วงความผูกพันความวิตกกังวลในชีวิตครอบครัวกลับทำให้มีความทุกข์ใจมากขึ้นมีความทุกข์ใจมากกว่าตอนไม่มีครอบครัวซิอีกบางคนคิดว่าเรียนจบ ได้งานทำมีเงินมากๆมีบ้านมีรถแล้วคงจะมีความสุขแต่พอมีเข้าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงความสะดวกสบายชั่วคราวเท่านั้นถ้าไม่รู้จักรักษาใจให้ดีเมื่อมีความไม่สบายใจเงินทองที่มีมากก็ช่วยอะไรไม่ได้บางคนคิดว่าเมื่อมีลูกแล้วคงมีความสุขมากขึ้นแต่พอมีเข้าจริงๆด้วยความรักความห่วงความวิตกกังวล และความผูกพันในลูกนั้นมันมีมากจนไม่รู้ว่าความสุขที่ได้มาจากการมีลูกมันมีน้อยกว่าความทุกข์ที่ตามมาเพราะเมื่อลูกเจ็บลูกเศร้าโศกเพราะผิดหวังลูกทุกข์กายทุกใจพ่อแม่ก็มีทุกข์ไปด้วยนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความรักและความผูกพันนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าความสุขที่ได้มาจากความรักความผูกพันในบุคคลวัตถุสิ่งของนั้น มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันเป็นเพียงความพอใจและเพลิดเพลินชั่วคราวเท่านั้นเพราะสิ่งนั้นอยู่ในกฎของธรรมชาติคือเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วดับไปจะช้าหรือเร็วเท่านั้นจะหาความเจริญยั่งยืนอย่างแท้จริงนั้นหาได้ไม่พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้หนึ่งที่เคยได้รับความสุขในด้านบุคคลวัตถุสิ่งของมามากมายกว่าพวกเราเีอีก แต่ท่านมีปัญญารู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงท่านจึงออกจากพระราชวังเพื่อสแสวงหาความสุขที่แท้จริงท่านใช้เวลาปฏิบัติอยู่ถึงหปีด้วยความยากลำบากและต้องใช้ความอดทนสูงหลังจากที่ท่านได้ตรัสรู้แล้วจึงได้ตรัสสอนเรื่องทางดำเนินเพื่อถึงความสุขอย่างแท้จริงความสุขทางกายกับความสุขทางใจ ความสุขสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเสริเสริญความสุขทางใจว่าเป็นเลิอดกว่าความสุขทางกายทางร่างกายท่านว่าแค่พอยังอัตภาพให้พอเป็นไปได้ก็ใช้ได้แต่ความสุขทางใจนั้นควรทําให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงความสุขทางใจมีสองอย่างคือความสุขที่มีเหยื่อล่อกับความสุขที่ไม่มีเหยื่อล่อความสุขสองอย่างนี้ ท่านสรรเสริญความสุขแบบไม่มีเหยื่อล่อว่าเลิศ ก, กว่าความสุขแบบมีเหยื่อล่อเพราะความสุขแบบมีเหยื่อล่อนั้นเปรบเสมือนน้าพึ่งเครือบยาพิษหรือเบ็ดที่มีเหยื่ติดอยู่สุขนิดหน่อยแต่ความสุขจะตามมาให้ผลในภายหน้าส่วนความสุขแบบไม่มีเหยื่อล่อนั้นเป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมจนพบสภาวะธรรมในด้านจิตใจโดยตรง เป็นความสงบเย็นภายในจิตที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นความสุขเลิศกว่าความสุขทั้งหลายและเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอย่างแท้จริง เรื่องของความคิดความคิดเป็นธรรมชาติของจิตอย่างหนึ่งที่คนปกติทั่วไปจะมีกันทุกคนความคิดนั้นมีทั้งคุณและโทษแล้วแต่ว่าจะคิดเรื่องอะไรคิดแบบไหนในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนถึงสิ่งที่ควรคิดและสิ่งที่ไม่ควรคิดเอาไว้หลายอย่างเช่นบางคนคิดด้วยความวิษกกังวลถึงเรื่องบางเรื่องจนเกิดความไม่สบายใจและทุกข์ใจ ทั้งที่เรื่องนั้นก็ยังไม่รู้แน่ว่าจะเป็นจริงอย่างที่คิดหรือเปล่าบางคนคิดและเชื่อความคิดของตนเองจนมากเกินไปว่าสิ่งที่ตนคิดนั้นจะถูกต้องแน่นอนใครจะบอกกล่าวอย่างไรก็ไม่ฟังเหตุผลนี่แสดงว่าใช้อัตราตัวตนเป็นมาตรฐานแต่ถ้าใช้หลักธรรมเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นเหตุผลที่เชื่อได้ดีกว่า บางคนคิดมากเกินไปจนจิตฟุ้งซ่านและปวดหัวและเครียดควบคุมจิตไม่อยู่ก็กลายเป็นคนวิกลจริตไปได้เหมือนกันบางคนหมกมุ่นฝังใจอยู่ในอดีตและเพ้อฝันถึงอนาคตจนมากเกินความพอดีและจะทําให้เกิดความทุกข์ใจตามมาได้ระวังถ้าคิดถึงสิ่งใดแล้วเกิดความทุกข์ใจต้องบอกกับตนเองให้ทันทีว่าเรากําลังคิดผิด จากหลักคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสีแล้วเพราะถ้าคิดตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่ทุกข์ใจแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการฝึกจิตเพื่อควบคุมและรู้เท่าทันระบบความคิดเพื่อไม่ให้เราต้องเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์เพราะความคิดนั้นวิธีการฝึกก็คือแทนที่จะให้จิตไปคิดถึงเรื่องต่างๆจนมากเกินไปและต่อเนื่องเกินไป เราก็ควรฝึกจิตโดยการระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นระลึกรู้ลมเข้าระลึกรู้ลมออกนี่เป็นระบบการฝึกควบคุมความคิดในขั้นต้นถ้าเรามีความพยายามทําบ่อยๆความช้านานจะเกิดขึ้นลมก็จะละเอียดและมีลมก็เหมือนไม่มีลมจิตก็จะสงบได้เพราะมีความเพียรพยายาม เมื่อจิตเริ่มสงบเป็นพื้นฐานได้บ้างแล้วเราก็ฝึกคิดให้เราคิดพิจารณาในหลักธรรมถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของกายและใจรวมสิ่งต่างๆให้เราฝึกคิดพิจารณาในหลักธรรมให้รู้ว่าเพราะความรักความยึดติดความผูกพันในสิ่งต่างๆย่อมนำความทุกข์มาให้เรา